การกล้าสู้หน้าความจริงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายคนธรรมดาทั่วไปไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องชนิดนี้เพราะถือว่าไม่ค่อยเป็นมงคล น, นักโดยเฉพาะเรื่องความตายยิ่งไม่อยากพูดถึงด้วยเกรงจะเป็นลางบ้างเกรงว่าจะทำใจไม่สบายบ้างถึงกับประเพณีบางแห่งห้ามพูดเรื่องเหล่านี้ด้วยถือว่าเป็นอัมงคลหรือบางคนที่คิดตื้น ก็หาความเลยว่าการมองเรื่องแก่เจ็บตายนี้เป็นการมองในแง่ร้ายแต่ไม่ไม่พูดหรือไม่มองถึงเรื่องที่จะให้เกิดความสบายใจให้เรื่นเริงผาสุขจะมานั่งจับเจ้าเศร้าโศกนึกแต่เรื่องทุกๆร้อนๆให้เปลืองเวลาอยู่ทำไมทั้งเป็นการทาจิตใจให้หดหู่ไปเปล่าๆความข้อนี้ควรจะได้พิจารณากันโดยรอบคอบและในทางที่เกิดประโยชน์เป็นประเด็นประเด็นไป ถ้าเราจะไม่ยอมพูดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเพราะเกรงจะเป็นลางหรือเป็นเรื่องอัปมงคลแล้วพระพุทธศาสนาก็ตอบได้ทันทีว่าศา ส, สนานี้ไม่ถือความจริงเรื่องนี้ว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคลส่งสอนให้รู้จักความจริงจะได้ไม่ประมาทจะได้หาประโยชน์จากเวลาที่ล่วงไปล่วงไปนั้นให้ได้มากน้อยตามสมควรดีกว่าปล่อยให้การเวลาล่วงไปเปล่า เพราะใครจะพูดถึงหรือไม่พูดถึงใครจะกลัวหรือไม่กลัวก็จะต้องเผชิญหน้ากับความแก่ความเจ็บและความตายด้วยกันทุกคนแต่คนที่รู้ตัวไว้ก่อนไม่ประมาทย่อมได้เปรียบที่ได้มีโอกาสบำเพ็ญคุณงามความดีไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่มารู้สึกตัวเอาเมื่อสายแล้วข้อที่ลึกซึ้งลงไปกว่า น, นั้นก็คือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องไม่ดีไม่ถูกใจคน ถ้าเราฉลาดพอเราก็อาจหาประโยชน์จากเรื่องเมดีนี้ให้ได้ดังที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องแก่เจ็บตายก็คงจะไม่มีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกซึ่งกล่าวอีกจำนวนหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงหาประโยชน์อย่างสูงสุดได้จากเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเป็นการหาความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้จากความเกิดแก่เจ็บตาย เป็นการหาของไม่เน่าและจากร่างกายอันมีความเน่าเปื่อยเป็นธรรมดานี่เองเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าการกล้าสู้หน้ากับความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะเก่งกล้าหวดดีอะไรแต่เป็นเพราะต้องการจะหาประโยชน์จากความจริงที่ไม่น่าพอใจนี้ให้ได้ฉะนั้นจึงไม่น่าถือเป็นลางร้ายหรือเป็นอัปมงคน ส่วนปัญหาที่ว่าเราเกิดมาในโลกมีเวลาอยู่ไม่นานนักควรจะหาความสุขให้มากที่สุดไม่ควรจะมาเสเวามองอะไรต่ออะไรในแง่ร้ายให้ใจหดหู่ไปเปล่าๆคำตอบมีอยู่ว่าการมองเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ใช่มองในแง่ร้ายแต่เป็นการมองเพื่อจะให้เกิดแง่ดีเทียบได้กับนายแพทย์การศึกษาวิชาของแพทย์จะต้องกล้าสู้หน้ากับความจริง เรื่องลักษณะาอาการของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยไม่หดหูย่อท้อเราการศึกษาอันนั้นจะเป็นเหตุให้กําจัดโรคภัยไข้เจ็บนั้นๆได้ในที่สุดการดําเนินงานของแพทย์เพื่อความพาสุขสําราญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและการศึกษาของแพทย์ไม่พึงตําหนิว่ามองในแง่ร้ายแต่ควรชมว่าเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ประสบความสุขชันใด คำสั่งสอนที่ให้สู้หน้าความจริงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายในพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้นเป็นการสอนเพื่อให้เอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นการกล้าสู้หน้ากับความจริงเพื่อจะค้นต่อไปว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากอะไรจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อกำจัดต้นเหตุนั้นๆจริงอยู่การหาความสุขสาราญโดยไม่ยอมคิดถึงความจริงอื่นๆ อาจจะสบายได้พักหนึ่งแต่จะเข้าทนนองคนที่ไม่อยากเรียนหนังสือหรือทำมาหากินเพราะเกรงเสียเวลาและลาบากเปล่าๆสู้นางน่งนอ น, นอนหาความสบายไม่ได้คนประเภทนี้อาจหาความสบายได้จริงแต่ในที่สุดจะต้องเดือดร้อนอันเข้ากับสุภาษิตไทยว่าไรไฟร้อนจะนอนเย็นไรไฟเย็นจะดิ้นตาย คนที่ลำบากไว้ก่อนจะนอนสบายคนที่ไม่ยอมลำบากเลยจะต้องดิ้นตายในภายหลังนี่เป็นคติเตือนใจอย่างดียิ่งอีกอย่างหนึ่งความหมายของคำว่ามองแง่ร้า ย, รายหรือทุนิยมคือเพซรมิซึมนั้นหมายความว่ามองไม่เห็นทางแก้ดูอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องยากไปหมด แต่การสู้หน้ากับความจริงในพระพุทธศาสนาเป็นการมองอย่างหาทางแก้ไว้ด้วยเพื่อความสุขสมบูรณ์ในที่สุดจึงเห็นได้ชัดว่ามีใช่เป็นการมองในแง่ร้ายแต่เป็นการศึกษาให้รู้จักความจริงเพื่อหาประโยชน์แห่งชีวิตจากเรื่องที่มองให้ได้เท่านั้นเหตุนี้การที่บางท่านอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาว่าเป็นสายกลางไม่ใช่สูญนิยมหรือออปทิมิซึม ไม่ใช่ทุนนิยมหรือเพซิมิซึมคือไม่ใช่ทั้งมองในแง่ดีทั้งมองในแง่าร้ายจึงนับว่าเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนเองควรทำความเข้าใจให้ดีเพื่อประโยชน์ในการรู้ความมุ่งหมายและเนื้อหาแห่งคำสั่งสอนในศาสนาของตนเอง